ขออรน้อมพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขอระลึกถึงคุณหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอาการาบขอาการาบหลวงพ่อกรมประจำโยกิพระจารย์ารยมานพประจำวันอรชัยแล้วก็เพื่อนธามีทุกท่านนะจะเดินในพระจะินธรรมในไม่ฉี่แล้วก็ยัติธรรมทุกคนนะ ช่วงนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นช่วงระลึกนะถึงหลวงพ่อคําเขียนที่เป็นที่เคารพรักของพวกเราก็าว่าได้เนาะที่จริงก็เป็นช่วงที่ก็ใกล้จะถึงช่วงที่ระลึกถึงหลวงพ่อเทียนเหมือนกันวนะันที่สิบสิบสี่กันยา ย, ยนนี้ก็เป็นวันวันที่หลวงพ่อเทียนท่านนักสังขาร ก็ใกล้เคียงกันนะกับหลวพ่อคำเขียนหลวงพ่อเทียนถะ้าก็เกิดเดือนกันยานะรักสังขารก็เดือนกันยาหลวงพ่อําเขียนของพวกเราก็เกิดเดือนสิงหาก็รัสังขารเดือนสิงหานะก็เป็นการการเกิดกับการการตายก็เป็นช่วงที่ใกล้กันอาจจะไม่ใช่วันเดียวกัน แต่ก็ใกล้กันนะตัวตัวผมเองอาตมาเองก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีนะเมื่อตอนปีสอง8้าสี่สิบเคยสัมภาษณ์หลวงพ่อคำเขียนนะเพื่อทำประวัติของท่านนะตอนนั้นยังใช้เครื่องเล่นเทปนะในการสัมภาษณ์ ก็รู้สึกหลงพ่อเล่าเรื่องราวของหลวงพ่อหรือเราก็ถามบ้างบางส่วนนะเท่านั้นประมาณเทปสักประมาณสาม้วนเลยนะก็ถือว่าหลวงพ่อก็เล่าเล่ามากเยอะก็ยังได้มาถอดเป็นเทปที่อยู่ในหนังสือเรื่องรู้ซื่อนะเรื่องตรงส่วนของสุวรรณโนอัตโนประวัติ ก็ไม่รู้ใช้ภาษาบาลีถูกหรือเปล่านะก็ใช้เป็นบาลีแบบคนไม่ได้เรียนนะก็ถือว่าในในช่วงที่ได้สัมภาษณ์หลวงพ่อก็มีเก็บหลายอย่างที่ก็น่าสนใจนะคิดว่าถ้าเราถ้าเราศึกษาจากจากชีวิตจากชีวประวัติของหลวงพ่อนะเราก็จะได้ประโยชน์ในหลายอย่าง วันนี้ก็เลยว่าอยากจะลองลองเล่ากันดูสักหน่อยโดยเฉพาะตอนที่เราเริ่มจากหลวงพ่อได้มาเรียนนะกับหลวงพ่อเทียนแล้วกช็ช่วงที่หลวงพ่อได้บวชใหม่ๆเนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากตอนที่หลวงพ่อคําเขียนท่านไปเรียนอยากจะสนใจไปเรียนธรรมะกับหลวงพ่อเทียนน่ย ก็เนื่องจากความที่ท่านอยากจะรู้จักเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแหละนะเคยบวชเนนนะเคยศึกษานักธรรมตีนะเคยเป็นหมอไสยศาสตร์แต่บุญบาปคืออะไรก็ก็ไม่รู้จักนะก็เกิดคําถามที่ค้างคาใจเมื่อมีคนมาชวนว่าอืเนี่ยถ้าถ้าไปเรียนธรรมะกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยจะรู้จักเรื่องบุญรู้จักเรื่องบาป นะแต่ก่อนเนี่ยกลัว บ, บาปนะกลัว บ, บาปแต่ไม่รู้บาปคืออะไรนะแต่ก่อนอยากจะได้บุญนะแต่ไม่รู้ว่าบุญคืออะไรนะก็ทำตามตามกันไปเฉยเฉยนะแต่จริงพอไปเรียนกับหลวงพ่อเทียนที่จริงท่านไม่ได้เน้นสอนเรื่องบุญเรื่องบาปหรอกนะท่านเน้นสอนให้เรื่องรู้จักตัวเองนะเรื่องการ รู้จากกายรู้จากใจของตัวเองตอนที่หลวงพ่อท่านไปเรียนกับหลวงพ่อเทียนที่ที่เมืองเลยนะท่านบอกว่าสิ่งที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติของท่านนแรกก็คือว่าคือท่านเคยทำแบบสมถะนะบริกรรมนะมันมีความสงบมันมีความสุขนะ พอจะให้มานั่งยกมือสร้างจังหวะมาเดินจงกรมเนี่ยบางทีจิตมันไม่ค่อยอยากจะเอาจิตที่มันเคยสงบมันเคยมีความสุขจากสมาธินี่บางทีมันก็ยากนะยากที่จะให้แบบเออออกมารู้สึกตัวหรือว่ามีความฟุ้งซ่านที่เกิดจากอารมณ์ที่มันไม่กดข่มนะไม่ประคองจิตมันรู้สึกว่า บริกรรมหรือทำแบบเดินเนี่ยมันนิ่งดีมันสงบดีมันไม่ใช่ชอบจิตที่มันจะพุ่งสร้างพุงสร้างในที่นี้ก็คือว่าคือเราไม่ได้กดข่มอารมณ์ปล่อยให้อารมณ์มันเป็นธตามธรรมชาติการยกมือสร้างจังหวะบางทีมันก็เนี่ยมันเราไม่ได้เพ่งจ้องตั้งใจมากเกินไปเนี่ยมันก็มีความคิดมันมีความสงสัยมีอารมณ์เกิดขึ้นมา หลวงพ่ออกแต่ก่อนหลวงพอก็ไม่ไม่เข้าใจก็ก็ไม่ชอบนะวิธีทํานองนี้นะก็ยังชอบวิธีเดิมก็ ค, คือทําความสงบอยู่นะแต่สิ่งที่หลวงพ่อเทียนท่านเทศท่ น, ทนสอนมันก็เป็นสิ่งที่ที่ทาทายที่อยากจะให้ท่านรู้นะอคือการปฏิบัติทำใหม่ๆก็ทุกคนอะไรนะมันก็ต้องมีความอยากที่อยากจะรู้ธรรมะ ตันหาที่อยากจะรู้ธรรมะเนี่ยมันเป็นธรรมดาของของผู้ปฏิบัติใหม่ๆนะอืมถ้าเราไม่อยากจะรู้ธรรมะเนี่ยเราก็ไม่มาปฏิบัติใช่ไห ม, มไม่รู้จะมาปฏิบัติทําไมมาบวชทําไมนะแตกล้งมันก็ต้องมีความอยากนะเป็นธรรมดาไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดไม่ได้เสียหายบางคนบอกว่าฉันไม่อยากจะรู้ธรรมะไม่อยากบรรู้ธรรมก็เลยใช้ชีวิตแบบธรรมดานะแหละนะนะก็เหมือน สัตว์โลกทั่วๆไปนะก็ใช้ชีวิตแบบสุดท้ายก็ตายไปแบบไม่รู้อะไรเหมือนเดิมแต่พวกเราก็มีความอยากรู้อยากเข้าใจธรรมะเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรนะเราเอาตัวนั่นตัวตัณหาตัวนั้นเป็นตัวนําทางไปก่อนแต่เราจะศึกษาธรรมะเพื่อเพื่อละตัณหานแรกๆใช้ตัณหาใช้ความอยากเพื่อนําพาชีวิตเราให้ออกจากกระแสโลก ให้มาปฏิบัติธรรมแต่เราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยเพื่อละตัณหาอีกทีหนึ่งนะละความอยากที่อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอยากจะมีอะไรนะเพราะถ้าเรายังปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็ยังมีความอยากมากๆเนี่ยนะมันก็จะไม่รู้อะไรนะเหมือนหลวพ่อคงเขียนเองท่านบอกทำปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยก็อยากรู้มากนะอยากรู้ก็ สงสัยตัวเองทำไมปฏิบัติหลายอาทิตย์แล้วก็ยังไม่รู้ธรรมะนะจึงต้องไปถามหลวงพ่อเทียนว่าจะมีไหมคนที่มาปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนแล้วไม่รู้ธรรมะ อ, มอาจจะเป็นผมนั่แหละคนแรกนะสมัยก่อนคนที่ปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนอาจจะยังไม่มากนักนะแต่หลวงพ่อเทียนท้ายืนยันว่าไม่มีหรอกนะหลวงพ่อเทียนสอนตั้งแต่เป็นคารวาสนะสองปีงกว่า มาบวชอีกก็หลวงพ่อเทียนบวชประมาณก่อนหลวงพ่อคงเขียนประมาณแปดเก้าปีนะก็มีคนมาเรียนกับหลวงพ่อเทียนพอสมควรหลวงพ่อเทียนบอกว่ายืนยันว่าไม่มีนะถ้าคุณทําจริงๆเนี่ยรู้แน่นอนนะหลวงพ่อคงเขียนก็เลยเกิดความมั่นใจไปภาวนาต่อแต่การภาวนานบะางทีท่านก็ไม่ได้วางใจพึ่งคนอื่นนะท่านก็พึ่งตัวเอง บางทีมีเนนนะบอกรู้รู้จักรูปรู้จักนามนะมาถามน้องพ่อเทียนน้องพ่อเขเขียนว่ารู้จักรูปรู้จักนามหรือยังนะ้าพ่อคขเขียนก็บอกว่าอืมก็ยังอะนะทาไมดึงง่ายๆแค่นี้ไม่รู้นเนนก็พูดประมาณนี้แต่สอนให้ก็ได้น้าพ่อคขเขียนบอกไม่ต้องสอนหรอกนะจะทําเองนะ้า คือมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะว่าบางทีหลายคนนะเวลาปฏิบัติธรรมนะก็ถ้ามีใครรู้มาสอนเนี่ยก็จะชอบเงี่ยหูฟังก็จะตั้งใจฟังอยากจะรู้ก่อนรู้นะแต่หลวงพ่อท่านท่านคิดว่าไอ้ความรู้พวกนี้มันเป็นความจํำมันเป็นความเข้าใจเฉยแต่สิ่งสําคัญท่านต้องทําเองดีกว่านะท่านก็เลยบอกเนยว่าไม่ต้องสอนหรอก เดยจะทำเองนะแล้วท่านก็ทำเองจนทั้งเออเข้าใจเองจริงๆนะมันก็เป็นบุคคลิกอย่างหนึ่งของพ่อที่ท่านพอจะทำอะไรนะท่านก็มุ่งมั่นที่จะทำเองนะแม้จะมีความสงสัยคล้รู้บ้างแต่ก็ไม่ได้เออต้องการที่จะให้คนบอกในความรู้ที่เกิดจากการจำหรือเกิดจากคาพูดนะ แต่ท่านเพียงแค่อยากจะมั่นใจว่าวิธีการเนี้ยนะมันทําไปมันสามารถที่จะรู้ความจริงได้จริงๆเมื่อท่านมั่นใจว่าทําแค่ทําแค่เนี้นะเข้าถึงธรรมะได้ที่เหลือก็เป็นเรื่องของเราแล้วนะที่เราจะทําต่อเนื่องหรือเปล่านะท่านก็ทํำจนทั้งเออท่านก็เข้าใจเรื่องตัวนี้นะกลับไปที่บ้านก็ไปขอ ญาติพี่น้องขอแม่บวชนะแม่ก็ไม่อยากให้บวชญาติพี่น้องก็ไม่อยากให้บวชนะพอสมพ่อเองท่านก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนเก่งนะเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวได้อย่างดีบางทีมันก็เนี่ยคนดีๆคนเก่งๆนะบางทีเขาไม่อยากให้บวชนะแต่ถ้าคนเสเพยนหน่อยน ะ, นะพ่อแม่ก็อยากให้บวชนะ หลวงพ่ อ, ขอเขียนเองท่านก็เป็นคนคนดีคนเก่งในสังคมนะญาติพี่น้องพ่อแม่ก็ไม่อยากให้บวชนะเพราะรู้สึกว่าบวชเหมือนการบวชในสมัยนั้นเหมือนถ้าใครบวชเหมือนรู้สึกว่าเป็นคนที่ล้มเหลวในชีวิตทางโลกนะทํางานทางโลกไม่ไม่สําเร็จเลยต้องหนีมาบวชนะแต่หลวงพ่อท่านไม่ได้คิดเช่นนั้นแม้สังคมค่านิยมทั่วไปจะคิดเช่นนั้น แต่หลงพ่อนั้นคิดว่าพระที่ไม่ค่อยรับผิดชอบในศาสนามีเยอะนะท่านอยากจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบเรื่องศาสนาหรืออาจจะมองมุมหนึ่งว่าคนที่สำเร็จทางโลกเนี่ยอาจจะมีเยอะแล้วนะแต่คนที่จะทำประโยชน์ในทางธรรมในการสอนสั่งผู้ค น, นมีน้อยจะเรียกว่าท่าน เห็นว่าความสําเร็จทางโลกเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องสาระสำคัญในชีวิตะนะแต่ความที่จะช่วยเหลือผู้คนให้เข้าถึงธรรมะนี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าคือบางคนอาจจะคิดว่าการมาบวชการมาปฏิบัติธรรมนี่คือการมาหวังบึง่งมาหวังพึ่งพระมาผังมาหวังพึ่งวัดนะให้ช่วยเหลือตัวเองแต่หลวงพ่อเองท่านคิดว่า เราจะมาบวชเพื่อช่วยนะเพื่อช่วยครูบาจารย์เพื่อช่วยวัดวาเพื่อช่วยศาสนาจิตมันมันต่างกันเลยนะนะบางคนมาเพื่อหวังพึ่งแต่ท่านมุงม่งมันที่ว่ามาเพื่อจะช่วยเหลือบางทีมันก็น่าสนใจนะบางทีพวกเรามาปฏิบัติธรรมมาอยู่วัดนะระหวังพึ่งครูบาจารย์มากเกินไปไหม เราหวังว่าเราจะต้องเรียกร้องอะไรจากจากคนอื่นหรือจากวัดวาอารามมากเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าเราลองคิดในมุมกลับกัน เ, เราจะช่วยครูบาอาจารย์ได้มากน้อยขนาดไหนเราจะช่วยวัดวาอารามได้มากน้อยขนาดไหนเราจะช่วยศาสนาได้มากน้อยขนาดไหนลองดูบางทีพอเราคิดเช่นนี้นะบางทีมันทำให้ความเห็นแก่ตัวเนี่ยแหละ มันลดน้อยลงไปเองความเห็นแก่ตัวก็คือเนี่ยแหละนะมันก็ลดความโลภในใจของเราเนี่ยแหละนะลดความหลงลดความาโทสะที่ไม่ได้ดังใจนะที่มันเกิดในใจของเราเนี่ยแหละนะเาพ่อเองท่านก็มาบวชเพื่อเพื่อทําตรงนี้นะแล้วก็ทํากิจของตนด้วยนะไม่ใช่ว่าจะมุ่งเน้นแต่สอนผู้อื่นจะเผยแพร่ธรรมะ แต่จริงในช่วงที่การบวชใหม่ๆนี่ท่านก็ฝึกฝนตนเองเป็นอย่างมากนะท่านบอกแต่ก่อนเนี่ยพอบวชบวชเสร็จก็ต้องไปบินธบานนะทำกิจวัตรต่างๆท่านบอกบินทบาทนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญบางครั้งบินทบานไปเพื่อนพูดคุยกันในแถวนชี้นกชี้ไม้คุยนั่นคุยนี่พ่อบอกอ อันนั้นเป็นเรื่องของเขาเขาพูดคุยกันเราห้ามไม่ได้นะแต่ท่านห้ามตัวเองที่จะไม่พูดคุยกับเขาะท่านก็เคี่ยวเขีนตัวเองนะออถ้าไม่ได้ตําหนิ อ, อว่าเพื่อนไม่ดีอะไรต่างๆแต่ท่านเน้นที่จะเคี่ยวตัวเองก่อนวินท บ, บาทเสร็จฉันนะต้องบางทีต้องหาบ้นะจากที่อื่นมามาล้างบาทนะ าไม่ก่อนเนี่ยน้ําน้อยนะ่ะต้องไปหาจากที่ไกลๆล้างบาดกันทุกคนให้ทั่วเอาน้ําล้างบาดเนะ่ยมาล้างจานต่อล้างจานเสร็จก็ไปรดน้ําต้นไม้ต่อน้ําหายากต้องประหยัดมากกลับมาหลวงพ่อก็บอกว่าพอกลับมาถึงกุฏิเนะี่ยก็วางบาดไว้อย่างแรกที่ทําเลยนั่งยกมือท่าจังหวะในห้องะ คือไม่โอเอนะไม่เสียเวลานะเมื่อทําทกิจของสรงเรียบร้อยแล้วก็กลับมาถึงห้องก็มาสร้างจังหวะนะส่วนใหญ่หลวงพ่อจะบอกว่าหลวงพ่อนักแรกหลวงพ่อเน้นเน้นการสร้างจังหวะนะท่านชอบนั่งพิงฝาอยู่ในห้องนะยกมือสร้างจังหวะอยู่ในห้องแบบนั้นแหละนะมันอาจจะเป็นความสงบนะนั่งอยู่ในห้องรู้ตัวไปนะ แต่ตอนนั้นท่านก็ยังไม่รู้นะว่าท่านก็ยังติดความสงบอยู่ในบางขณะเยอะจนหัวงพ่อเทียนต้องมาเห็นว่าเออหลวงพ่อคำเขียนทำแบบนี้บ่อยแล้วมั้งนะบางครั้งท่านก็เลยเดินมาดูมาอยู่ที่หน้าห้องนะก็เลยเกิดสิ่งที่หลวงพ่อมักเล่าให้ฟังนะว่าบางทีหลวงพ่อเทียนก็มาถามนะ่ะถามว่าท่านเขเขีนนะทาอะไรอยู่นะ่ะหลวงพ่อเขเขีนก็บอกว่า นั่งยกมือสร้างจังหวะอยู่หลวงพ่อเถียนก็ถามว่าเห็นข้างนอกหรือเปล่าหนหลวงพ่อบอกไม่เห็นไม่เห็นครับนะเพราะท่านอยู่ในห้องอทํายังไงละ่ะถึงจะเห็นข้างนอกหลวงพ่อคงเขียนก็เลยออกมาอยู่ตรงหน้าประตูหนหลวงพ่อเถียงเลยบอกว่าเนะี่ยให้ปฏิบัติตรงเนี้ยแหละนะให้อยู่ตรงที่ตรงประตูเนี้นแหละนะ ท่านบอกว่าเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเห็นข้างนอกไหมเห็นครับนะเห็นข้างในไหมนะเห็นครับนะคือเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในนะแต่ความหมายขอวงพ่อเทียนคงไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้หลวงพ่อท่านเห็นเห็นข้างนอกประตูกับข้างในประตูนะในห้องนะแต่จริงท่านคงมุ่งเน้นให้ว่าหลวงพ่อนะการปฏิบัติธรรมมันต้องเห็นทั้ง ในตัวเองแล้วก็นอกตัวเองแต่เห็นนอกตัวเองนี่ไม่ใช่ว่าไปไปดูคนอื่นแบบนั้นนะนะคือไม่ให้ส่งจิตเพ่งเข้าข้างใ น, นการส่งจิตเพ่งข้างในก็คือการประคองประคองอยู่กับตัวรู้นะปิดการนับรู้ผัสสะภายนอกนะเพราะจริงในการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนเองบางทีผัสสะที่มากระทบนั่นแหละ มันจะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นนะ่ะมันทําให้เราได้เห็นอารมณ์นะแต่ถ้าเราไม่เกิดผัสสะที่กระทบเนี่ยอารมณ์มันเกิดขึ้นมานะมันอารมณ์มันก็ไม่เกิดความสงบความสบายความสุขมันก็จะติดได้ง่ายนะหลวงพ่อเทียนเองท่านเน้นว่าอเนี้ยควรที่จะเห็นทั้งข้างนอกแล้วก็เห็นทั้งข้างในนะการปฏิบัติก็เลยเป็นการปฏิบัติที่เรียกว่า ให้รู้เท่าทันอารมณ์นะสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้นะไม่ใช่จะเอาแต่ความสงบอย่างเดียวหรือฟุ้งซ่านอย่างเดียวนะก็ไม่ดีน ะ, นะฟุ้งซ่านอย่างเดียวจิตก็ไม่มีสมาธิไม่ตั้งมั่นสงบอย่างเดียวก็เฉยนะก็ชาก็ก็นิ่งเกินไปก็ไม่ถูกเหมือนกัน หลวงพ่อเองถ้าก็ยังเลาว่าสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อเทียนไม่ค่อยอยู่ที่วัดไปสอนที่นั่นที่นี่นะบางทีท่านก็อยากจะตามหลวงพ่อไปด้วยเหมือนกันแต่ก็ท่านบอกไม่มีค่ารถตามไปนะนะก็บางครั้งเอยต้องเฝ้าวัดบ้างก็มีนะบางทีเฝ้าวัดนะ่ะท่านก็บอกว่าอืมก็กวาดร้านวัดกวาดถนนกวาดทางเนี่ยเป็นทีละหลายชั่วโมง เออเราก็เห็นภาพเลยว่าบางทีท่านก็เดินจงกรมท่านก็ตั้งจังหวะเนาะแต่พอถึงเวลาทํากิจท่านก็ทํานะกว่าถนนหนทางเนี่ยเป็นเจ้ามงท่านก็ทําคนเดียวให้สะอาดเรียบร้อย น, นี่ก็เป็นการฝึกตนเหมือนกันนะการฝึกตนอย่างหนึ่งไม่ใช่เพียงแค่การทําในรูปแบบแต่เป็นกิจวัตรต่างๆเนี่ยท่านก็ให้ความสําคัญนะท่านก็ทําเป็นกิจวัตรนะ หรือการงานในวัดขุดบ่อน้ําสร้างกุฏิสร้างสารุปรภพภายในวัดท่านก็ทํานะทําอย่างเต็มที่แต่เชื่อว่าบุ ค, คลิกของหลวงพ่อคือทํำนะแต่ไม่คุยนะไม่ใช่ทําไปคุยไปเล่นไปนะทาเวลาทํางานก็ทําจริงๆนะไม่ใช่ทําแบบเล่นๆนะเวลาภาวนาก็ทําจริงๆนะ ไม่ได้ว่าอ่ะไม่ใช่แบบไปยอมแพ้กับความง่วงอันนี้ก็เป็นทิดว่าเป็นบุคคลิกที่สำคัญนะถ้าเราปฏิบัติทำนะเราก็ต้องทำตั้งใจทาจริงๆนะเวลาเราทำงานเราก็ต้องอ่ตั้งใจทาจริงๆนะแต่การตั้งใจในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราต้องเคร่งเครียดนะกับการภาวนาแบบ อยากจะเอาให้ได้บังคับตัวเองเพ่งจอ้อนงะกดข่มความคิดไม่ใช่นะแต่ให้ทำแบบสบายๆนะให้ทำแบบเห็นนะเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นมานะจากภายในใจของเราเองบ้างนะหรือบางทีก็เห็นกายที่เคลื่อนไหวบ้างนะเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในนะเห็นข้างนอกเช่นเห็นการกระทบ นะสัมผัสทางตาก็ดีทางเสียงก็ดีเห็นข้างในเช่นเมื่อกระทบแล้วเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมานะมีความพอใจมีความไม่พอใจนะมีความโกรธตือป็นปกติอันเนี้ยเรียก ว, ว่าเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในหรือบางทีเห็นคนอื่นก็ททำถูกเห็นคนอื่นก็ททำผิดนะแต่ไม่ใช่ไปจับถูกจับผิดแต่เอามาเพื่อสอนตัวเองนะ เหมือนที่หลวงพ่อบอกบางทีเพื่อนเขาพูดคุยกันนะท่านก็เอามาสอนตัวเองว่าเราจะไม่พูดคุยกันฟุ้งซ่านแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าพูดคุยไม่ได้นะก็พูดคุยได้แต่เพียงแต่ว่าถ้ามันเรื่องที่จําเป็นก็พูดคุยถ้าเดิ่อไม่จําเป็นก็ไม่พูดคุยให้เสียเวลาเนะี่ยท่านก็ทําการปฏิบัติในรูปแบบนอกรูปแบบของท่านแบบนี้แหละท่านบอกในชีวิตของท่านไม่เคยเก็บอารมณ์ นะเพราะอะไรเก็บอารมณ์ในแบบไม่ออกมาบินทบาศนะไม่ทําวัดปฏิบัติตลอดเวลาหลวงพอเองท่านบอกถ้าไม่เคยทําแบบนั้นนะท่านก็ทํากิจธรรมดานี่แหละนะแต่เพียงแต่ว่าท่านเก็บอารมณ์ภายในนะก็คือไม่ส่งจิตออกนอกไม่ฟุ้งซ่านนะกับการทํางานไม่ฟุ้งซ่านกับการพูดคุยสนุกสนานหยอกล้อนะท่านพยายามที่จะ รู้สึกตัวนะในทุกรียาบทนะตั้งแต่ตื่นช้ามาตั้งแต่บินทบาทตั้งแต่ชั้นอาหารกลับมาที่กุฏิหรือไม่แต่การกวาดพื้นไม่แต่การทำงาน น, ะนวกรรมนะก็คืองานก่อสร้างท่านก็ทำนะทาแบบพยายามรู้ตัวนะอันนี้ก็ท่านก็ฝึกฝนตัวเองแบบนี้เรื่อยๆนะ หลวงพ่อเทียนอยู่หรือไม่อยู่นะท่านก็ทำแต่ถ้าหลวงพ่อเทียนอยู่ท่านบอกก็ก็อุ่นใจก็ดีใจนะเพราะว่าได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนก็จะได้ชี้แนะแนวทางจากการเทศน์นั่นแหละนะไม่ใช่เกิดจากการไปสักถามนะอยากจะรู้แต่พอหลวงพ่อเทียนท่านพูดเมื่อไหร่นะเงี่ยหูฟังตั้งใจแล้วก็เอามาปฏิบัตินะจนทั้งท่านก็เออเข้าใจธรรมะ เพิ่มขึ้ น, นเรื่อยๆนะแต่หลวงพ่อคาเขียนเองท่านก็ไม่ใช่เป็นคนที่คล้ายๆ ย, ยึดติดแต่หรือว่าคิดว่าเออเมื่อเรียนรู้ธรรมะจากหลวงพ่อเทียนอพอแล้วนะจริงเรื่องการปฏิบัติธรรมคงพอล้แต่ท่านก็ยังแสวงหาเรื่องที่เกเป็นเทคนิคนะเทคนิคในการเผยแผ่ธรรมะนะหลวงพ่อคำเขียนต้องบอกว่า พอศึกษากับพเทียนเข้าใจธรรมะแล้วก็บางครั้งก็ออกไปข้างนอกเหมือนกันนะไปดูซิวัดไหนที่เขาสอนวิปัสสนาสอนการปฏิบัติเขาสอนกันแบบไหนเ็าทำอย่างไรนะหล้วพองเขียนก็ไปหลายที่นะในกรุงเทพบ้างในต่างจังหวัดบ้างนะก็ไปดูไปรู้ไปเห็นนะบางที่ท่านก็รู้สึกว่ายังยังไม่ค่อยถูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่หลายที่ท่านก็รู้สึกว่าเออมันดีน่าสนใจโดยเฉพาะท่านก็ชอบนะชอบในแนวทางอย่างของหลวงพ่อพุทธท า, าตสนะแล้วก็ทางหลวงพ่อชานะท่านก็ชอบว่าอือครูบาอาจารย์ที่ที่สอนธรรมะแบบนี้หรือว่ามีคล้ายๆสร้างบรรยากาศภายในวัดแบบเนี้ยท่านรู้สึกรู้สึกชอบชอบในที่นี้ไม่ใช่แบบชอบแบบหลงนะแต่มือนรู้สึกว่า อาจจะถูกเจดิตหรือว่ารู้สึกว่ามันเข้ากันได้กับแนวทางที่หลวงพ่อเทียนท่านพาปฏิบัติแล้วก็สอนธรรมะอยู่นะอย่างท่านชอบอย่างอาจารย์พุทธทาสมากท่านก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่ออีกท่านหนึ่งเหมือนกันท่านบอกว่านี่อาจารย์พุทธทาสสอนให้คนไม่โลลไม่โง่หลงงม ง, งายนะไม่ให้ไปติดกับไสยศาสตร์ไม่ให้ติดกับพิธีกรรมต่างๆนะ ท่านมุ่งเน้นเรื่องปัญญาหลวงพ่อก็ไปอยู่กับอาจารย์พุทธทาสอยู่สองสามช่วงนะแต่ไปเจออาจารย์พุทธทาสอาจารย์พุทธทาสก็บอกไม่ได้สอนอะไรนะท่านบอกหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าพอไปหาอาจารย์พุทธทาสอาจารย์พุทธทาสบอกเนี่ยถ้าอยากรู้อะไรนะนะไปอ่านหนังสือท่านเขียนไว้หลายเรื่องแล้วไปอ่านเอาหลวงพ่อก็ไม่ได้มีโอกาสสนทนากับอาจารย์พุทธทาสเท่าไหรน่ะ พระอาจารย์พุทธทาสบอกให้ไปอ่านเอาแต่จริงอาจารย์พุทธทาสก็คงเทศนะตัวหลังหลังสวดมนต์ธรรมะท่านก็คงเทศหลวงพ่อก็คงได้ฟังนะก็คงประทับใจอยู่นะหรือว่าท่านพาทํางานทําการนะท่านก็รู้สึกเออเนี่ยก็เป็นการสอนธรรมะนของอาจารย์พุทธทาสถ้าจําไม่ผิดเหมือนตอนนั้นหลวงพ่อก็ไปอยู่กับอาจารย์พุทธทาสตอนกำลังสร้างโลงมหาศพทางมิญยาณ ก็ส่วนใหญ่ก็ทำงานเหมือนกันน่ะแหละนะก็ได้เพื่อนได้มิตรหลายรูปที่ท่านก็ไปมาหาสู่หรือระลึกถึงกันบ่อยๆเช่นหลวงพ่อสนองนะวัดสังฆทานช่งนั้นก็อยู่ที่ส่วนโมกนะแล้วก็ได้เจอกันหลวงพ่อบัญญัตินะวัดป่าธรรมดาที่โคราชก็สนิทสนมกันนะก็ทำงานด้วยกันคุ้นเคยกันนะหลวงพ่อขงเขียนท่านก็ ไปสแสดงห า, นาแนวทางในการเผยแพร่ธรรมะนะไม่ใช่สแสดงหาธรรมะมันต่างกันนะก็คือท่านไม่ท่านอยากจะเรียนดูว่าเออการเผยแพร่ธรรมะเนะี่ยในเมืองไทยเนะี่ยเขาทํากันอย่างไรบ้างนะหลวงพ่อก็เลยยังเอาแนวทางแบบอานะจากพุทธทาสมาใช้นะนะท่านบอกสมัยก่อนเนะี่ยจะหิว้วเครื่องฉายสไลด์นะแล้วก็ มีแผ่นฟิล์มสไลด์นะที่เป็นอะไรมาก็ไม่ทันที่จะเห็นนะว่าท่านเอาอะไรมาฉายบ้างแต่ก็เห็นว่าบางภาพบางส่วนก็เป็นเรื่องของภาพทางในโลกมหันต์ศพทางมิญญาณที่สวนโมกนะก็มาสอนธรรมะนะหิวสไลด์นะไปฉายตามโรงเรียนไปฉายตามที่นั่นที่นี่บ้างนะท่านก็ไม่ยึดติดแต่ว่าเออการสอนธรรมะเนี่ยต้องแบบอื ไม่ต้องใช้อะไรเลยนะสมัยนั้นเขาใช้สไลด์ท่านก็ใช้คือสมัยนี้อาจจะพวกเราก็ใช้โปรเจคเตอร์นะใช้โน้ตบุ๊กฉายไปเลยก็สะดวกไปอย่างนะแต่สมัยก่อนเนี่ยพ่อใช้สไลด์ท่านก็ยังบอกเนี่ยอในพิพิภัณฑ์ของพ่อนะอเอาเครื่องฉายสไลด์นไปอยู่ด้วยนะนะแผ่นฟิล์มสไลด์ยอยู่ไดนะ้นะะท่านก็คงระลึกว่าสมัยก่อนเนี่ยบุกเบิกเรื่องการเผยแผ่ธรรมะนี่ก็มีเครื่องมือเนะี่ยช่วย ทุนแรงท่านไปได้เยอะนะท่านก็เอาไปใช้นะก็เป็นสิ่งที่ท่านเรียนรู้นะบามทีท่านก็บอกว่าท่านก็ชอบฟังฟังธรรมะจากอุปชาของท่านนะเจ้าคุณสีห า, หานาถนะที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดที่เมืองเลยท่านบอกท่านเทพแบบเหมือนสีสหานาฏบรนดูนนะก็คือเหมือนเหมือนราชสีที่แบบคำรามนะเวลาเทศต้องแบบมันมีพลังนะพลังในการ สอนมากมากท่านก็ฟังนะฟังเพื่อเรียนรู้ว่าท่านสอนอยังไงท่านเทศอย่างไรนะท่านก็หงเอามาใช้ด้วยหรือแม้แต่หลวงพ่อเทียนเองนะหลวงพ่อเทียนเองท่านก็ไม่อบอกท่านก็แม้เข้าใจธรรมมาแล้วแต่ท่านก็ยังเรียนรู้จากผู้อื่นนะท่านก็ยังเอาเทปหลวงพ่อพุทธทาตมาฟังนะฟังดูว่าหลวงพ่อพุทธธาต เวลาเทศเวลาสอนเนะี่ยใช้ภาษาแบบไหนใช้สำนวนใช้จังหวะอย่างไรนะท่านก็ยำเรียนรู้พวกนี้นะควบคู่กันไปอันนั้นเราเห็นเลยคนที่เข้าใจธรรมะเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เปิดกว้างนะเปิดกว้างนะในการเรียนรู้นะแต่เปิดกว้างในที่ไม่ใช่สเปสปะนะนะหลักในการปฏิบัติเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะ หลักในการปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อไม่ทิ้งเรื่องการมีสตินะเรื่องการสร้างความรู้สึกตัวแต่ท่านเอาอาศัยเครื่องมืออย่างอื่นมาช่วยนะในการที่จะอบรมในการที่จะสอนตัวตัวเราเองหรือสอนผู้อื่นเนะี่ยท่านก็เอามาช่วยนะไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องอย่างใดอย่างหนึ่งนะท่านก็เห็นว่ามีประโยชน์ก็ามาช่วยอันนี้คือชีวิตแล้วก็การงานของ เพราะความเขียนนะในช่วงช่วงต้นๆ น, นะจะเรียกว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าท่านฝึกฝนตนเองอย่างเข้มข้นก็ว่าได้แต่ท่านก็ไม่ไม่เรียกว่าไม่ไม่รับผิดชอบต่อวัดต่อสังคมนะท่านก็ยังทำกิจที่พึงทำภายในวัดอย่างเต็มที่นะในกิจวัตรของพระในการงานของสงฆ์หรือว่าท่านก็ยัง ไม่ใช่มุ่งแต่ประโยชน์ตนเพียงอย่างเดียวนะหลวงพ่อเทียนส่งหลวงพ่อคำเขียนตั้งแต่พรรษาแรกนะไปอยู่ที่วัดนะวัดที่บ้านเกิดของหลวงพ่อเทียนเองนะยังเป็นพระพรรษาแรกแต่ยังต้องไปรับผิดชอบในการสอนธรรมะนะท่านก็ไปนะท่านก็ไปนะตามที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าคือก็เห็นนะเออหลวงพ่อคำเขียนเองท่านท่านมุ่งเน้นทั้งประโยชน์ตนเองแล้วก็ประโยชน์ ผู้อื่นนะหรือได้อ่านในหนังสือเรื่องอะไรคิดถึงหลวงพ่อนะมีตอนหนึ่งที่ท่านนบนะท่านเขียนไว้ท่านบอกว่าเนะี่ยตอนที่ท่านนบจะลาหลวงพ่อไปอยู่ที่ผูหลงนะหลวงพ่อก็พูดทำนองว่าเนะี่ย พ, พระพุทธเจ้าเนะ่ไม่ไม่ถามหาคนที่ทำแต่ประโยชน์ตนอย่างเดียวนะ หรือคนที่ผู้พระเจ้าออะเหรือคนที่ทําแต่ประโยชน์ผู้อื่นทําแต่ประโยชน์ภายนอกนะพระเจ้าก็ไม่ได้ถามหาเหมือนกันนะแต่พระเจ้าท่านถามหาคนที่ทําทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านนะครบคู่กันไปนะหลวงพ่อก็คงเอาตรงเนี้ยมาใช้ในการดําเนินชีวิตของท่านนะเราเองก็น่าจะได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตนะของหลวงพ่อในช่วงที่ ฝึกฝนตนเองอย่างเข้มข้นหรือว่าเป็นช่วงที่ออกมาเผยแผ่ธรรมะนะในตอ น, น, นแรกนะก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเราเองแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะได้เกี่ยวข้องกับผู้อื่นแล้วก็ชุมชนหรือว่าสังคมให้ดีขึ้นไปด้วยเนาะชีวิตของหลวงพ่อก็เป็นตัวอย่างในการสอนธรรมะของเราได้ได้ดี ไม่ใช่เพียงแค่คำพูดหรือคำเทศที่หลงท่านสอนแต่ชีวิตจริงของท่านนั่นแหละนะก็เลยเล่าสู่กันฟังนะในช่วงต้นๆที่ท่านได้บวชนะก็มีโอกาสได้ได้สัมภาษณ์หรือท่านเล่าให้ฟังนะก็เลยเอามาบอกเล่าสู่พวกเรานะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการฝึกฝนตนแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะในชีวิตในชีวิตของเราเนาะ นะเราก็จะได้เป็นคนที่เดินตามคำซ้ำซ้อนของหลวงพ่อนะทําทั้งความรู้สึกตัวแล้วก็ให้ทํากิจทําหน้าที่ของเรานะให้ดีไปด้วยนะขณะที่ทํากิจทําหน้าที่ก็ใส่ความรู้สึกตัวไปด้วยนะอย่าอย่าฟุ้งซ่านอย่าเพลิดเพลินนะในการทําการทํางานนะแต่อาศัยการทําการงานนั่นแหละเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ในการรู้สึกตัว หรือในการสอบอารมณ์ว่าเราจะผ่านอารมณ์ที่กระทบสัมผัสได้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ที่อยากจะฝากไว้ในชาววันนี้